คนเราเวลาพัดพลากสูญเสียคนรักก็ย่อมเกิดความเศร้าโศกนะและยิ่งเศร้าโศกเสียใจมากขึ้นนะหากว่าไม่ได้บอกลาคนรักที่จากไปหรือว่าไม่ได้บอกความในใจโดยเพราะถ้าเกิดทำอะไรที่ผิดพลาดลงไปตอนที่เขามีชีวิตอยู่แล้วก็ไม่มีโอกาสที่จะขอโทษนะในความรู้สึกผิดนี่มันก็จะค้างคาในจิตใจ แล้วก็ทําให้ใคลายจากความทุกข์ความเศร้าโศกได้ยากหลายคนเนี่ยเวลาสูญเสียคนรักก็ปรารถนานะให้เขากลับมาเพื่อที่จะได้บอกลาเป็นครั้งสุดท้ายเพื่อจะบอกคำในใจเช่นบอกรักนะบางทีอยู่ด้วยกันมานานไม่เคยบอกรักคนรักเลยหรือว่าบอกรักพ่อแม่ที่จากไปหรือขอโทษเนี่ย เมื่อเขากลับมาอย่างนี้ได้เนี่ยมันก็ได้พูดความในใจก็ทำให้ขี้คายความเศร้าโศกนะบางคนก็ยาก้ายเขากลับมาในความฝันนะจะได้พูดบอกความในใจแต่หลายคนก็ได้แต่ยากเนี่ยแต่ว่าในสิ่งที่ยากมันไม่เกิดขึ้นนะคนลราก็ไม่กลับมาทั้งในชีวิตจริงแล้วก็ในความฝันแต่เดี๋ยวนี้นี่ เรื่องแบบนี้นี่มันสามารถจะทำได้ง่ายแล้วนะเพราะว่าเดี๋ยวนี้มันมีความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีโดยเฉพาะคอมพิวเตอร์เนี่ยสามารถจะเนรมิตโลกเสมือนขึ้นมาเหมือนจริงเลยเนี่ยแล้วเขาเรียกว่าโลกเ ส, นะสมือนจริงนะในโลกเสมือนจริงเนี่ยคนรักที่จากไปนี่ก็เขาสามารถกลับมาปรากฏตัวให้เราได้เห็น เราก็ได้พูดได้ทําอะไรในสิ่งที่เราอยากจะทําเช่นบอกลาบอกรักหรือว่าขอขามาขอโหสิเพราะเดี๋ยวนี้เนี่ยเขาสามารถที่จะเอาภาพถ่านยะของคนที่จากไปเนี่ยเอามาต่อยอดนะจนกระทั่ง เหมือนกับว่าเขานะยังมีชีวิตยอยู่เสียงก็เป็นเสียงของเขานะจากคลิปเสียงที่เคยอัดเอาไว้แล้วก็ น, นิสัยใจคอพฤติกรรมนี่ก็เหมือนนะกับตัวจริงนะอาศัยคาบอกเล่านะความทรงจำของคนที่ยังอยู่ก็เป็นข้อมูลใส่ลงไปในคอมพิวเตอร์นะมันก็จะแปลออกมาเป็นเป็นภาพ ไม่ใช่ตัวเองจริงนะแต่เป็นภาพที่เหมือนจริงนะทางรูปร่างหน้าตาทั้งน้ำเสียงทั้งนิสัยใจคอนะนะเมื่อปีที่แล้วนี่เกาหลนะีประเทศเกาหลีใต้นี่เขาทำได้นะแล้วก็มีรายกา ร, ราสารคดีเนี่ยพูดถึง แม่คนหนึ่งนะที่เสียลูกไปตั้งแต่อายุเจ็ดขวบลูกตายแบบกระทันหันนะเพราะว่าโรคที่ปัจจุบันทันด่วนว่าแม่ก็เสียใจมากนะเพราะว่าได้นี้ไม่ได้มีโอกาสบอกลาลูกน้อยเลยลูกสาวแต่ว่าตอนหลังนี้เขาก็ใช้เนี่ยไอ้เทคโนโลยีที่ว่าเนี่ยนะสร้างโลกสเสมือนจริงขึ้นมาไม่รู้ว่าต้องใส่แว่นด้วยหรือเปล่านะหรือว่าภาพของ หรือว่าสร้างโลกให้มันปรากฏขึ้นมาในห้องเหมือนกับว่าอ่าเด็กคนนี้ลูกสาวคนนี้ได้กลับมาอีกครั้งหนึ่งยิ้มแย้มแมจ่มใสนะไม่ใช่ตัวจริงนะแต่มันเป็นภาพไม่ใช่ในความฝันนะมันเห็นจริงๆริงเด็กน้อยก็ยิ้มแย้มแมจ่มใสแม่เห็นก็โอ้ดีใจนะนะเด็กน้อยก็พูดมาว่าเนี่ยดูคิดถึงแม่จังเลยนะ แม่เป็นยังไงบ้างคนที่เป็นแม่นี่พอได้ยินลูกพูดแบบนี้ก็ร้ อ, องไห้เลยนะด้วยความคิดถึงนะแล้วก็ดีใจด้วยนะที่ได้เจอลูกอีกครั้งหนึ่งทั้งๆ ท, ที่มันเป็นภาพนะแต่ว่าในความรู้สึกเนี่ยมันเหมือนกับว่ามันคือคนจริงๆนะที่กลับมา โหจะดีใจแค่ไหนนะลูกที่ตายปแล้เนี่กลับมานะนะก็ดีใจเข้าไปกอดลูกนะความรู้สึกมันมันก็ได้กอดลูกนะแล้วก็ได้พูดคุยกันและในในภาพนั้นเนี่ยมันก็เป็นภาพสถานที่นะเป็นสวนหลังบ้านที่กำลังจัดทาพิธีฉลองวันเกิดครบเจ็ดปี ซึ่งม่ท่านได้จัดนะเพราะเด็กน้อยก็ตายก่อนนะแต่คนนี้ก็ได้จัดแล้วจัดงานวันเกิดให้กับลูกมีการเป่าเทียนตัดเค้กแม่คุยกับลูกอย่างสนุกสนานลูกก็ตอบโต้ได้นะเดี๋ยวนี้คอมพิวเตอร์มันทำอย่างนั้นได้ก็เรียกว่าปัญญาประดิษฐ์นะภาพ น, นี่มันตอบโต้เหมือนกับตัวจริงเลยแม่ก็มีความสุขได้คุยกับลูก ลูกก็ช่างคุยนะอธิษฐานหรือให้พรพ่อให้พรแม่เนะี่ยก็ให้พ่อแม่มีความสุขนะไม่มีโรคไม่มีภัยก็ให้มีจิตใจจจาสายเบิกบานแม่ก็ยินดีนะ ค, คุยกันคุยกันไปสักพักนะลูกก็บอกแม่ว่าหนูต้องไปแล้วนะจะเข้านอนแล้วนะแม่ก็ทำท่าจะล่ำลา ทักนั้นเด็กก็ทักแม่ว่าทําไมแม่เศร้าเหลือเกินนะสีหน้าแม่เศร้าจังเลยแม่เป็นไรหรือเปล่าคนที่เป็นแม่ก็ตอบลูกว่าเนี่ยแม่ขอโทษนะที่ยังก้าวข้ามเรื่องนี้ไม่ได้แม่ยังยึดติดในลูกอยู่ยังปล่อยวางไม่ได้นี่แม่ก็เลยเศร้า แต่ว่านับจากวันนี้ไปนี่แม่ก็จะปล่อยวางแล้วนะลูกก็ดีใจนะที่แม่นี่รับปากว่าจะปล่อยวางเสร็จ แ, แล้วก็ลูกก็ไปนอน ก, ก็จบเท่านั้นนะกลับมาสู่โลกแห่งความเป็นจริงคนที่เป็นแม่นี่ก็พอผ่านเหตุการณ์นี้ไปได้ก็รู้สึกสบายใจมากขึ้นเพราะว่าได้บอกรักลูกได้บอกลาลูกน้อย แล้วก็รับปากว่าจะปล่อยวางลูกแล้วนะแม่รับรับปากว่านี่แม่จะเดินหน้าต่อไปนะไม่หวนอะไรนะไม่จมอยู่ในความเศร้าโศกคนแ ม, แม่ก็มีความรู้สึกดีขึ้นนะ เ, เทคโนโลยีนี่มันก็น่าสนใจนะสำหรับคนที่สูญเสียคนรักแต่ก็มีการโต้เถียงกันนะว่า มันก็เป็นดาบสองคมนะเพราะว่าถึงแม้มันจะช่วยทำให้พ่อแม่หรือว่าคนรังเนี่ยปล่อยวางผู้ที่จากไปได้แต่สหรับหลายคนนี่มันทำให้ยึดติดมากขึ้นนะเพราะว่าพอเจอเทคโนโลยีแบบนี้เข้าเนี่ยติดใจนะวันทั้งวันนี้มังทำอะไรนะก็เอาแต่พูดคุยกับคนที่จากไป ในโลกเส ม, มือนจริงแทนที่จะมาทํามาหากินแทนที่จะเดินหน้าต่อไปแทนที่จะดูแลคนที่เหลือที่ยังอยู่ไม่ว่าจะเป็นลูกหรือว่าพ่อแม่สามีก็เอาแต่ครุกอยู่กับโลกเส ม, มือนจริงนะทำให้เกิดความยึดติดมากขึ้นหรือว่าเป็นการหนีความจริงนะอันนี้ก็เป็นดาบสองคมที่มีคนถกเถียงกันซึ่งก็มันก็มีส่วนจริงนะและนี่คือเป็นเหตุผลที่ทําให้ คนที่ิเริ่มคิกเทคโนโล ย, ยีขึ้นมาเนี่ยเป็นเป็นหนุ่มออสเตรเลียเนี่ยสองคนเนี่ยเขาหยุดนะไม่ทำต่อนะเราคิดเขาคิดเรื่องนี้ตั้งแต่เมื่อหกเจ็ดปีที่แล้วเ้าก็กทาไปได้เยอะแล้วเพราะว่าเขาก็สูญเสียลูกเหมือนกันเขาก็อยากจะให้ลูกกลับมาในโลกสมือนจริงอยากจะได้ล่ำลาลูกแต่พอทำไปสักพักนี่พบว่ามันเป็นดาบสองคม ก็เลยเลิกทํำนะท้างเอาไว้แต่มันก็ก้าวหน้าไปเยอะแล้วมันก็เลยมีคนทําต่อนะคนเกาหลีนะเกาหลีนี้เขาก็ก้าวหน้ามากเทคโนโลยีก็เลยทําสําเร็จนะและคิดว่าถ้าทําต่อไปเรื่อยๆเนี่ยหรือพัฒนาต่อไปเรื่อยๆมันจะเหมือนจริงมากขึ้นจนกระทั่งบางทีแยกไม่ออกเลยนะว่าไอ้ภาพที่เห็นเนี่ยมันเป็นแค่สิ่งในรมิตขึ้นมาหรือว่าเป็นความจริง เท่ น, นี้ก็เรียกว่าจั ก, กรวาลนิรุมมิติแล้วนะเดี๋ยวในเทเมตาเวิร์สเนี่ยมันทำท่ายทำใ ห, ให้โลกที่เราอยากจะเห็นเนี่ยมันเป็นจริงขึ้นมาไม่ว่าเป็นโลกในอดีตหรือว่าโลกในอนาคตที่เราที่มันถูกใจเราที่มันเป็นสิ่งที่เราปรารถนาไม่ต้องสร้างนิมิตแล้วด้วยกำลังสมาธิไม่ต้องรองความฝันแล้วนะใช้เทคโนโลยีนี่แหละเปิดปุ๊บติดปับ๊บ ซึ่งมันก็อันตรายมันก็จะกลายเป็นญาเสพติดอย่างหนึ่งนะแต่ตอนนี้เนี่ยมันก็ที่เล่าเรื่องนี้เพื่อเห็นว่าโลกก็ก้าวไปไกลนะจนกระทั่งเราสามารถที่จะบอกลากคนรักที่จากไปได้แต่ว่ามันอาจจะไม่ช่วยทําให้ปล่อยวางแล้วก็เดินหน้าต่อไปอย่างที่ตั้งใจนะเพราะว่าอาจจะทําให้เกิดความยึดติดมากขึ้นคลุกอยู่กับอดีตอยู่กับโลกที่เ น, นลมิตหรือสร้างขึ้นมาโดยที่ไม่สามารถจะ ใช้ช่วยให้ส่อยแคล่วความเป็นจริงได้อ่ะก็เราเอาส่กันฟังนะ